เราไม่ควระไปตัวเปล่าใส่ชุดอย่างเงี้ยนะสเ้าเซฟตี้ใส่ขขอะไรไใของมือถั่วเราควรวางแผนด้วยยุทธาศาสตร์นะเนี่ยอย่างนี้ไม่ต้องนะฝั่ง น, นี้เนี่ยมึงเล่นอ่างนถ้ามึงจะตายหาเราตายมันมีงานวิจัยเหมือนอันหนึ่งว่าคนเลี้ยงหมามไม่ฆ่าตัวตายแค่แต่ร้อยละรอยคนเลี้ยงหมาไม่ฆ่าตัวตายใครที่พ่ออะไรครับ ก่อนจะห้าตัวตายมันจะเล็กว่าแล้วใครให้อาหารหมาเขาเลยไมจริงๆหมาไม่เป็นสตัตว์ที่ประเททนี้เลยครับ <laughs> เป็นตัวระบายความเครียดของคุณได้เวลาคุณแค้นมันคุณเตะมันมันโกรธคุณไมไม่มีทางคุณยั่วเจ้า น, นายมากๆไห้ทําไงครับกับบ้านเตะมันตบกะโหลกมันก็ได้เข้าใจยังแต่วนันุขึ้นมันรักับคุณไหม ดังนั้นผมจะสอนให้คุณไฮไลท์อันหนึ่งนะโจงทำตัวเป็นหมาดับเจ้านายของคุณแล้วจะลุ้มไอ้ปกตินี้ทำให้ผมแม่งขึ้นอย่างงวดเร็วนะอยู่นตาตาไม่ใช่กูเก่งหรอกมันอยู่ที่ผมจะจับทีเหมือนใครได้ต่างหากที่จะได้แชมป์เละไม่ตัวกูเก่งงัเว้ ไอจอดไอจิมไอป๊อกนะทำยังไงให้แม่งอยู่กับมึงได้ทำยงไงให้พวกแม่งเก่งๆเลือกมึงเข้าทีมได้นี่คือสำคัญกว่าเข้าไหมครับปากเล้งหมาเว้ยเขาว่าปากหมาในที่นี้ไหมหมายความว่าเห่าเก่งเวยแตลว่าอะไรครับมึงถูกมันตบตีเลยช่างมึงไม่เคยกวดมันไอป๊อกไอจิงเนี่ยแม่งด่ากูโง่สารพัดเลยกนะูไม่เคยว่าพวกแม่งเลยเข้มกูมานี่ทุเรียนรู้ เงนเดืนของพวกนู้ที่ให้กูคือค่าเรียนกูอะไรอย่างรอวันเติบโตนั่นเองอยู่กับา่านพูนพรายานปริทัศน์เนี่ยแกมีไอเดียอะไรงงๆเต็มไปหมดนึเชื่อไหแต่กูไม่แดงออกกูตามแกตลอดวันไหนก็ตามกูเป็นใหญ่ขึ้นมากูก็ทำอย่างของกูแลแว่ไหนยังแต่ตอนอยู่กับแกกูกูบอกแกไหมเพราะกูรู้กูบอกไปมีอะไรแน่ๆครับโดนเล่นไม่ใ่ยงแต่ว่าู่าใญ่ๆบอกแกว่า อาจารย์ครับผมคิดง่ๆของผมว่าคุณนี่คาพูดของเราปียวาจาผมคุณต้อเรียกว่าอาจารย์ครับผมมีความคิดงงๆอย่างผมสมอแบบนี้อาจารย์ว่าไงแกก็ดาชุดหน่อะคิดถงพวอย่างเงี้ยผมไม่่าอลไรกตามแกแต่วันไนที่ตามผมออมาเป็นตัวผมเองผมทำตามผมไหมผูก็ชดว่าแบบของครูวยแล้วแม่งไม่เวอของแกม่เว้อแต่่าอยู่ตอนนั้นไม่ได้หมาไงยังครูที่สามารถกัเจ้านายได้เข้าใจยังแล้วเมื่อไปเจอคนอื่นต้องชมเจ้านายตัวเองไ แน่นอนผู้ชมแกรับหลังตลอดแกดีแกเก่งเดี๋ยวแม่มาถึงหูเองไงเข้าใจยังเดวพวกแม่งด่านายรับหลังถึงเหยียดกันไอออนมึงไม่เชื่อเจ้านายมนี่แม่งจบแกแล้วเหนื่อยอยู่เขาเลยเหนื่อยเขาด้วยสงสารเขาเจ้านายนะสมชี่ก็เป็นอะไรรู้ไหมเป็นผู้ที่ไว้เจอราชภัย เจ้านายมีหน้าที่ไปเจอใครอันเกิดจากราชการทั้งหมดผมจะให้เจ้านายผมเหนื่อเด็ดขาดให้เจ้านายผมแม่งไปทำมาร์เก็ตติ้งให้เจ้านายผมไปเก็บอินโฟเมชันถูกไหมตัวรันเนี่ยตัวครูครูจะวิ่งรันให้ทำเรื่องนู้นเรื่องนี้ให้ชงเรื่องให้เตรียมเอกสารให้บริฟให้ค้นคว้าให้ปุ๊บพอมาผมเป็นคนหั่นผักเจ้านายเป็นไรครับทำก๋วยเตี๋ยวเป็นคนผัดเข้าใจยัง แล้วมึงก็รอใจเย็นเย็นมวยแรกตัวนี้นี่เว้ยกลับมาตัวเดิมตัวหึงแค้งสุดเลยคือทามิ่งจังหวะนี้มึงยังไม่ควรบุกนี่ย่าเพิ่งบุกมึงปล่อยนายมึงก่อนมึงเก็บประสบการณ์เก็บวิธีเรียนรู้แล้วมึงคบเคลื่อนเจ้านายเยอะที่สุดก่อนอินโฟเมชั่นมึงเพิ่มมึงดูวิธีคิดก่อนมงเนมูให้เขานำไปก่อนเป็นลีดเดอร์ชิดหครับคาว่าทีมเมอรเนี่ยมันอยู่ที่คาว่า trust มึงไว้ใจมันหรือเปล่ามึงไว้ใจเขาอทีเดียวเขา มึงชั u เขาแล้วมึงก็ไปกับเขาถ้ามึงไม่ t r เขามึงออกคุณ ด, ดูหนังเรื่องพอยดิใช่ไหมถ้าคไม่ t ออ s t อี a c h ท l l e s แม่หันคอปะ่ะเราะว่า trust ขึ้นมาลบด้วยกันเลยครับถามว่าหมุกไปฉายเดียวเนี่ยตายหาแน่แน่ห้าสิบคน Achilles เป็นหาไปมึงตาปะ่ะมึงก็ไปยหาเนี่ยแน่แน่แกูก็ไปอะไรอย่างงั้นทุกทนไม่เยตายมาแม่ ง, มม ง, มงปีนี้ก็ปกติมึงอยู่ใช่ไหมครับตายก็มีไม่ตายก็มีมใจก็กล้าเว้ย แล้วต้องใส่ถ <äd God> <ints> ึงไงมวยมีจ <Paris> <laughs> ังหวะมวยมีจังหวะทมิ่งจังหวะเวลาก็คืออย่าเป็นมวยครับอย่าเป็นเตียวหุยหุยคือแบบไหนครับเนือไหอ่แม่งใช้อารมณ์อย่าเป็นคนอูด้วยคนอูคือแบบไหนคนอูคนอูตายถ้ใช้อารมณ์ เกีนนวหูถูกฆ่าตายใช่ไหครับที่กังตังเตยวพวกซุมกวงแม่งฆ่าตายกวนอูกับเล้าปียั่วที่หายเลยยกคัพไปเจ็ดสิบกองครับเสือไปสร้างค่ายลินแม่น้ำใหญ่ใช่ไหมซุมกวแม่งเผาตายหาวันนี้ก็ตายาเพราะอารมณ์ตวไอ้เสเมื่อมือยาไป ย, าไ ป, ยาไปถูกัหมไอ้สามตัวไอ้สามตัวกันนอกแม่งรักกันมากแม่งไปเตียวหูกวนอูเล่าอลอปีไอ้กันนอกสาตัวแม่งตายตายหาเกี้ยง เหี๋ล <c ười> ูกโง่ไว้เราเนยงเสร็จคือทั้งหมดนี้อาจารย์อยู่ฝั่งคุณควรนะเข้าใจยังเพราะว่าไหหลําผมเนี่ยอยู่ภายตคุณควรไไหหลําพวกมึงเป็นกวางต้งห่าไม่ใช่จริงว่พวกมึงเนี่ยคุควรเหมือนกูเลยเข้าใจยังมอ่ใต้เายงเไหูโจมีหมดนคุณาผมไม่กสาจีก็ได้นะผมอยากให้ฟังนะคุณจะเรื่องอะไรบอกสั่งออเดอร์มานะ ในการเล่นนี่เลยจะต้องมีคนอย่งผมอยู่สนนึงเขาเรียกกันว่าคนนี้คนถอดละหักความรู้แรแแรแรตัตนคุณนี้เปล่าคุณนี้ยังจยืนเ่นีรอแล้วนั่หรอะยื่ยังวะนคถอดหัความรู้อย่างนี้เ่นเสียดลตายเล่นนี่เอาไปไหนเน่ยไม่สอนเลยหรอ ไม่เป็นไรซื้อหนังสือเล่มหนึ่งมีคนเขียนหนังสือเล่มหนึ่งชื่อ Learning Organize c o n o w l e d g e Management ชื่อเหมือนผมเตี้ยเลยนะอยู่ที่ฮิ่งเรี่องี้ผมเค้ที่เขาที่พี่เทวินนะครับผมขันผมขันแรกก็แข็งทีดีแก่ผมเจ๊่ไปไหนมาไหนเจอผู้ใหญ่ยลูมีอะไรติดไม้ติดมือรู้ไ่าเนี่กผเจอที่พี่เวินเนี่ยผก็มีอะไรจิจิใั แรกกัเช็คที่กูได้มอีโคตรฟ้เลยอไให้ให้ดีๆนะติดไม้ติดมือเรื่อยๆไปไหนอย่าัวเปล่ามีบ้างวะนิดนอยๆสมัยผมู่นะในล็อกเกอร์ผมเนี่ยไอ้คุรมีล็อกเกอร์ตะเลสในล็อกเกอร์ผมจะมีขแบบชิคูอโนเน้นะน่ารักน่ารักเต็มเลยมนชื่อแบบงี้ทำไม แน่นอนอยูแลเช้าจีอีวันนาวิทยาถืว่าเครียดแดดข้าวกับอีวัชลีเคมีคเคมีเมื่อเงินข้าวไปนะถืว่าบ่ายอีเทนนิสกับอีสาวสมบูรีเนี่ยรักษาเย็นจีบอีอักษรเขยยัง ว, วางแขนวกวูเลีนสเต็ปสเต็ปเลสี่คนแล้วใกล้สอบมาอยู่กับวัชลีเขยยัง ไม่มีเป็นผู้หญิงสีสเกตแม่งดุมันจะต้องดา่าคุณประจําวรพัฒได้เวลาดูหนังสือแล้วก็าจะยังนั่นคือเลยสอนคุณว่าถ้าคุณรู้ตัวคุณเองว่าเป็นคนไม่ค่อยขยันคุณควรจะคบใครคนที่คอนโทรลคุณได้วชิรีเป็นผู้หญิงไมาจากมั่นนอกขยันชิบหายเขยยังคุณวันนี้ได้ไนั่งดหนังสือเัาทุเด่มเทสอบมีกําลังใจขึ้นยังอายใจมาคุณก็ต้องเลือก เลือก เ, เอ็นเมลอเมนที่จะทำให้คุณขยันงัว่ะเล้วกกระจบปีสีก็เลิกใช่ปะ่ะท้ายทั้งหมดไม่เกี่ยวกัเลยชัวร์อะไรเลยคุณรู้ตัวคุณเองว่คุณย อ, ยอ่อนเรื่องอะไรนะอ่ะผมเล่าให้ฟังนะเด็กแทบบี่ชายคนนึงนะอยู่โรงเรียนหอวงังเป็นลูกเครื่อนขงเองลูกควบของนาทหารอากาศ เ, เ, เ, เ, เม่เรียนได้สูงเลยแมเกิดที่เหนืลเหนอผมขอวางเลยจะขอวังไตรงนี้นอ่มันได้เรียนแย่มากเลยผมเาพื้นหาดวงเด็กคนนี้มานั่งดูแล้วเป็นผู้ชายเกิดราศีเมษขี่หดาไว้ก่อนเลยผู้เมษแม่บากรรมปั๊บขี่ห ล, ห ล, ห ล, าาหลีใช่ไหมเมธายนะแม่บากรรมปั๊บแขี่าล้าำไงครับเด็กคนนี้ทำาง ใ, ให้เด็กยิ่ยเก่งขึ้นเด็กขีหลี เรียกแม่งมาตึเรียกมันมาตึนะสอนลูกเล่นลูกว่อลูกชนเรื่องของการแตกแแปนนะผมสอนแบบใหม่นะเดี๋ยวผ ม, มคุณวิชายคุดูสอนแม่แบบใหม่ให้แม่มีเรียนสนุกสนุกนี่ลูกว่องชนจนเด็กแม่ชอบมากแล้วคกูก็สั่งมันว่ามึงเอาเรื่องที่กูสอนนะไปนั่งใต้โต๊ะที่เรียนมึงนะแล้วมึงก็ให้อีกพสกสาวๆนะมึงไปติมึงพวกมันว่าปลอมันต้องติดใจมึงอ่ะมันก็ไปถือว่า เราอาจารย์ครัเขาสาวแมงกระยิอาจารย์นี้พ็คยับอีกไหมอาจาชาชๆมาและเดี๋ยุคเตฟิสิกส์มัน้องแผงเนี่ยอาจารยยังอาจารย์ก็ใส่เรื่องจี้จีโจกโจ๊กลิงเกอ์ของเรื่องรามกทั่วไปท่าแอาจารสกันด้านตัวให้มันเกิดความมันเกิดอิทธิบาทสี่เกิดขึ้นตอนนี้แมงประมาณที่หนึ่งห้องแมงขุนหลังผมไม่ได้ไปยุ่งกับมันแล้วทุกคนชื่นชมมันหมดสาวสาวปลื้มเข้าแมทกับมันไหไอ้พวกราสีเม็ ตอนนี้แม่อยู่ปีสี่ในร้อยที่ตรงเขาเชงโง่ในร้อยเลยอืมจะจบแล้วปีสี่แล้วเต็บต่อไปของมันก็คือแม่ต้องคุณจะดันให้แม่เป็นนายพลเข้าใจยังโอ้ยเซอร์นาลลคนชาวแนคุณเข้าใจยังเขาปั้นเรื่องมันแต่ในที่ของคุณแม่มุณผู้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็วางแผนกันไว้หมดทั้หมดเขาเาลูกเามอยู่ใกล้เราเพื่ออะไรเน่ กระทวงนี้ก็มีนะเครียลว่าอาัจฉยะไม่ได้มีเด็กอัจฉยะเนี่ยเขาจะ ไ, ไว้กับพวกด็อกเตอร์อต่างๆเพื่อให้มันเป็นอัจฉยะขึ้นมากกว่าเดิมเข้าใจไหมครับผมสั่งวอเดอร์ไปแล้วแต่ไม่มีใครมาส่งผมต้อง ก, การเด็กผู้หญิงเท่านั้นไม่ใช่คิดวิสครับนะลูกสาวผมสอคนคุณนอนหนุ่มอยู่บ้านคุณก็หายเลยใช่ไหล่ะต้องเป็นเด็กผู้หญิงเดกผู้หญิแล้วสุดท้ายคุณก็จะปรับวิธีคิดของมันให้แม่บวดแล้วก็นิพพานครับาหายอย่าง <S <S S <S เลย่รส่งมาหรือวะตอนนี้กูรังรองอยูอ่เ่โอเคนะมีคนขอตาดความรู้หมเ้ยสับคูนี้ <S <S าาคุณิ้้เหรอตลาดความรู้คุณไม่จักวะจักเหรอคุณเคยเข้าตลาดความรู้ยังขอขพอขาความรู้ไอ้ชาอะไรวะแมเ่เยนอโอมาได้เรวเนี่ยขอขพอขาความรู้นี้ยังไม่มีเหรอ ตัวเยขเอเจนผู้ถอนรหัสใช่ไมคือผมใช่ไป่ายความ ร, มาาามรู้มีแล้วเนี่ยทางฟังความรู้มีแล้วนี่ใช่ฟังความรู้ไอ้พวนี้คุณต้องไป็ละนุ้ยไอ้ขอบต่งตางๆที่พวกคุณทำมันคือแหลกฟิโกพีมันคือสังคมเลยครับสังคมเรียนรู้ใช่ไหมครับ ไอ้เรียนนีอ่ออกคุณแม่งเจอผมตรวจเรียนแม่งได้ไม่กี่แต้มเลยนุ้ยถูกปะเรียนนีอ่ออกคุณต้องพร้อมเลยนะครับคนถอดรหัสความรู้ต้องมีแล้ว m a r k knowledge market ต้องมีแล้วใช่ไหมครับ k n o w l e g e merchants ต้องมีแล้ว knowledge store มี knowledge society น, นะครับ community of practice ใช่ไหมเขาเรียกื่า COP ใช่ไหมเฮ้ยต้องมีหมดแล้วแล้วขาดอะไรอีกก็นเนี่ย นอ่วยผู้ขุดความรู้อะรอยังคนนี้เก่งไหมคนสสุดนะคนขุดคืออะไรครับไปเปลี่ยน x p i มาเป็นอะไรไปเปลี่ยน p h y s i มาเป็น x p i กต้องุดต่อมาคู้ปความรู้โอ้คนนี้ยากหมผูสร้างอนะคนนี้ยากคนนี้ยากไม่จำเป็นก็ไม่ต้องมีซื้อเรา จะกินนมวัวทำไมครับจะมีเมน้อยกินวัวไม่ต้องเลี้ยงวัวที่บ้านมีหา ย, ยามียัยงมีขายได้เรื่องงนถอดรหัสความรู้มียังโนเนตอินจิเล็ดเนี่ยคนที่ตีความความรู้ได้ อ่านเองเนี่ยคุณยากไหยกว่าจะเข้าใจคุณมี่ใครเป็นคนขอนรหัสให้กระแทบเดียวได้แะคุณก็ไปที่ตลาดความรู้คุณรู้ยังเรื่องพวกนี้จะคุยืับใครมีใครเก็บมีวงการใช่ไหมมีคอนเนคชั่นต่อมาพอค้าความรู้คุณซื้อทางความรู้ซื้อแล้วคุณทำไมครับเก็บไว้ครับคุณทอไมเก็บใช่ไหมแล้วคนของคุณเป็นสัญญาณนักเรียนรู้ว่าสังคมนักเรียนรู้ใช่ไหมขอคนผู้เรียนรู้คุณทไม่ได้เนี่ยองค์กรของคุณต่อมาคุณฝึกความรู้ คือเปลี่ยนจากอะไรนะจากแพร่สิทใช่ไหมแพร่สิทคุณต้องเช็คเป็นอะไรครับ Explicit ให้ได้ที่คือเหตุผลที่ว่าทำไมผมถึท่านทำหนังวิดีโอเมื่อกี้ลุงแม่งไม่ยอมคิดผมว่ามีลุงคนหนึ่งในปูนเนี่ยแม่งโคตรจี้เลยแต่ลุงคนนี้ถ้าป่วยนะจิตหายกนะันทั้งหน่วยงานพี่ลุง ม, มันควรปรับความเร็วสายพาน ไปถามรุงว่าลุงตอับความเร็วสายพานเร็วเท่าไหร่ลุงไม่บอกดูท้องฟ้าไอเว้น <c oughs> ลุงมึงก็ต้องเปลี่ยนกันแล้วครับวันนี้หา most sensitive variable ใช่ไหมครับจริงก็คือความชื้นสัมพัทธ์อัตราการดูดซึมของน้ำบนสายพานเพื่อที่จะทำแต่เรื่องใช่ไหมครับคุณต้องรู้คำตอบแล้วไม่ได้ไปพูดกับรุงคนหนึง่งเนี่ย knowledge คุณไม่มีแล้วใช่ไหมครับ ก็สุดท้ายคุณก็ราเป็นผู้ปูกสร้างความรู้ไม่คือเป็นคนสร้างเลยครับ innovation ล้วคุณรู้อย่ว่าเที่ยงกว่าแล้วเนี่ยมันควรจะกินข้าวควรจะเละคุณจะปล่อยวิทยากรลอยนวน ผมต่อไม่ได้เรื่อยๆนะผมไม่กินเองได้นยะผมไม่งเทกับอยู่ได้เป็นวันๆนะ่ะพระสุดงเต่ารว่ย